คืนฝนตกหนักนะหนักถึงหนักมากนะลมก็แรงแล้วคนที่นอนเต้นนะคงจะนอนลำบากนะอาจจะนอนไม่หลับเลยได้ซ้ำนะพอน้ำซึมเข้ามาก็อย่าถือว่าเป็นเคราะห์นะให้ถือว่าเป็นบททดสอบของพวกเราก่อนที่พวกเราหลายคนนะจะได้กลับไป สุภูมิลํเนาวกลับบ้านเพราะว่าการปฏิบัติธรรมนะอากเข้มข้นก็ครบ4ี่ปันวันนี้เป็นวันสุดท้ายนะที่จะได้อยู่วัดเพื่อปฏิบัติบททดสอบนี้ก็ถือว่าคู่ควรนะกับพวกเราเพราะว่า พวกเราก็ได้ปฏิบัติทำกันมาหลายวันก็ควรจะเอาวิชาความรู้เอาประสบการณ์นี่มาใช้เพื่อจะได้ผ่านบททดสอบนี้ได้เป็นโอกาสนะที่เราจะได้มันมาดูใจของเรานะเวลาฝนตกเวลาเจอเหตุการณ์ทำนองนี้นี่เรารู้ทัน อารมที่เกิดขึ้นในใจหรือเปล่าเห็นความกังวลความวิตกหรือความกลัวที่เกิดขึ้นรวมทั้งความหงุดหงิดนะที่แทรกเข้ามาหรือเปล่าถ้าไม่เห็นก็ถือว่าสอบตกนะเมื่อเห็นแล้วนะสามารถที่จะวางใจเป็นปกติได้มันตกก็ตกไปนะแต่ว่าใจเราไม่กระเพื่อมอ น, นอนไม่หลับนะ เป็นเรื่องของกายไปนะแต่ว่าใจไม่เป็นทุกข์นะแม้ว่าเต็นท์จะเปียกนะแต่ว่าใจเราไม่เปียกด้วยหรือแม้แต่กายจะเปียกนะแต่ใจไม่เป็นทุกข์ที่จริงในชีวิตจริงหรือเมื่อเรากลับไปที่บ้านนะเราต้องเจออะไรที่หนักกว่านี้เยอะพายุฝนนี่ยังถือว่าเบาอยู่ บางทีเราต้องไปเจอกับพายุอารมณ์หรือว่าพายุของโลกธรรมที่มันพัดกระหน่าพายุอารมณ์นี่หมายถึงทั้งอายุพายุอารมณ์ของผู้คนรอบข้างแล้วก็พายุอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจที่สร้างความปั่นป่วนในจิตใจด้วยก็ได้พายุโลกธรรมนะ มันก็หมายถึงความเสื่อมลาบนะเสื่อมยศหรือว่าคำติชินนินทาหรือความทุกขนะ์ที่มันพัดเข้ามากระนำชีวิตจิตใจของเราถ้าเราได้ฝึกใจไว้ดีฉลาดที่จะกลับมาดูใจของเรา เวลาเจอสิ่งภายนอกมากระทบนะเราก็จะผ่านมันไปได้ด้วยดีแล้วเราก็จะฉลาดขึ้นเราก็จะแข็งแกร่งขึ้นเพราะว่าอุปสรรคทั้งหลายนี่มันล้วนแล้วแต่มีประโยชน์นะถ้าเรารู้จักใช้เมื่อพวกเราได้ปฏิบัติจนจบคอร์ส กลับไปสู่โลกภายนอกก็คงจะมีอะไรต่างๆมากมายที่ทำให้เราไม่สามารถจ ะ, ะปฏิบัติอย่างสงบอย่างสบายหรืออย่างอิสระเหมือนอยู่ที่นี่ไดนะ้พอชีดภายนอกมันก็เร่งรีบรุงรังด้วยภาระ และมีอารมณ์ต่างๆมากระทบใจทั้งหมดนี้เนี่ยนะมันก็ไม่ถึงกับเป็นอุปสรรคสำหรับการปฏิบัติธรรมนะไม่เป็นอุปสรรคสำหรับการภาวนาดูจิต ด, ดูใจหรือเจริญสติที่จริงกับเป็นประโยชน์ด้วยซ้ำไม่ว่าเราจะอยู่ใน สถานการณ์ใดทำอะไรก็ตามเนี่ยอย่าลืมที่หลวงพ่อคำเขียนท่านได้แนะนำเอาไว้นะที่ตมาเคยนำมาพูดแล้วนะก็คือรู้จักช่วยโอกาสต้องฉลาดในการช่วยโอกาสช่วยโอกาสในทุกเหตุการณ์ทุกอิริยาบถ ท, ทุกกิจกรรมในการภาวนา โดยเพพาะในการมารู้เท่าทันนะความคิดจิตใจหรืออารมณ์ของเรายิ่งถ้าเป็นกิจกรรมหรืออีรายบทที่มีการเคลื่อนไหวด้วยแล้วนี่นะเราก็สามารถใช้นะในการรู้กายหรือว่ารู้สึกก็ได้รู้กายรู้ใจนะของพวกนี้นี่ สองอย่างนีนะ้ทำได้ตลอดเวลาทุกโอกาสธรรมะนี่มีคุณสมบัติประการนะึ่คืออักาลิทึอกาลิโกมแนะาาปลว่าให้ผลได้ไม่จํากัดการแต่ที่จริงนอกจากให้ผลได้ไม่จํากัดการแล้วเนี่ยยังสามารถจะปฏิบัติได้ไม่จํากัดการด้วยไม่ใช่ว่าต้องอยู่วัดถึงจะปฏิบัติได้ไม่ใช่ว่าต้องอยู่ในห้องพระอยู่กเดียวกันถึงจะปฏิบัติได้ ทุกเวลาตั้งแต่ตื่นนอนนะจนเข้านอนไม่ว่าทำอะไรก็ตามเราต้องรู้จักชวยโอกาสเอามาใช้ในการปฏิบัติธรรมโดยเพราะการเจริญสตินี่ใช้ได้นะตั้งแต่กิจกรรมเล็กน้อยถึงใหญ่ใช้ได้ในทุกเหตุการณ์ แม้เวลาจะเจอเหตุการณ์ที่เราไม่ชอบนะเช่นรถติดหรือว่าคอยผู้คนไม่มาตามนัดหรือว่ามีคนพูดกระทบกระทั่งประชดประชันให้ได้ยินกับหนะูทั้งหมดนี้ก็อย่าอย่าปล่อยใจให้ทุกข์นะอย่าปล่อยใจให้หัวเสียหงุดหงิด ต, ต้องรู้จักเอามาใช้นะ ในการฝึกสติของเราใช้โอกาสเหล่านี้แหละมามาดูใจใจเป็นอย่างไรรถติดนะแต่ว่าจิตไม่ตกนะคนจานวนมากพอรถติดก็จิตตกทันทีเพราะวางใจไม่เป็นเพราะว่าจิตส่งออกนอกแต่ถ้ากลับมาดูใจแล้วก็เห็นความงุดหงงที่เกิดขึ้นเห็น แล้วก็วางใจก็กลับปกติได้กลับดีซะอีกนะได้พักนะได้สงบจิตเห็นสัญญาณไฟแดงนะไม่หงุดหงิดเลยนะถือว่าเขามาเตือนให้เราหยุดฟุ้งซ่านให้เราหยุดส่งจิตออกนอกกลับมาตามลมหายใจกลับมารู้กายที่กำลังพึงนิ้วเบาๆหรือว่าเห็นจิตที่กาลัง กับเพิ่มหงุดหงิดอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการบ้านให้เราได้ฝึกสติแล้วมันมีการบ้านอย่างนี้ให้เราฝึกอยู่ตลอดเวลาแม้แต่ในบทธรรมดาธรรมดากินข้าวอาบน้ำซักผ้ากวาดบ้านพวนี้ยิ่งมีประโยชน์ข้าไปอยัดนะช่วยให้เราสร้างความรู้สึกตัว รู้กายรู้ใจได้อย่างที่พูดไปแล้วเมื่อวานนะว่าเราต้องรู้จักมองย้อนสอนบ้างอย่ามัวแต่ส่งกิจออกนอกแต่กลับเข้ามารู้กายและใจของเรานะอย่างต่อเนื่องนักปฏิบัติที่ฉลาดจะรู้จักใชยโอกาสแล้วก็รู้จักหาประโยชน์จากทุกเหตุการณ์ทุกกิจกรรมหรือว่าทุกภัสสะที่เกิดขึ้น แล้วคนที่ทำเชนั้นนี่พระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าเป็นบัณฑิตนะอย่างที่พระนันทิยะนะได้ได้เล่าให้พระองคุลิมานฟังว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรแก่ท่านก็มีตอนหนึ่งท่านก็เล่าว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนว่าผู้ใดก็าตามที่รู้จักหาประโยชน์ทั้งจากอิทธารณม และอนิฐารมบุคคลเช่นนี้แหละนะที่พระพุทธองค์าลเสริญว่าเป็นบันดิตอิทธารมก็หมายถึงการเห็นการได้ยินหรือการได้มาซึ่งอารมณ์ที่น่าพอใจได้จะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสก็ตามอนิฐารมก็ได้แก่อารมณ์ นะที่ไม่น่าพอใจไม่ว่าจะเห็นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายหรือได้มาซึ่งอารมณ์นั้นนะเช่นได้ลาบได้ยศได้สัตว์ได้สุขได้สารเสริมนะทั้งอิทธาลมลอนิธาลมนี่ถ้าเรารู้จักใช้ประโยชน์จากมันนะก็ถือว่าเป็นบัณฑึกแต่ถ้าไม่รู้จักใช้ประโยชน์จากมันนี่ก็น่ถือว่าเป็น ภารชนนะหรือว่าคนพาลก็ได้คือคนไม่ฉลาดเช่นพอเจออิทธารมอารมณ์ที่น่าพอใจก็เกิดความเปิดเพลินยินดีจนประมาทจนไหลหลงหลงไหลแล้วก็ปล่อยให้ประมาทใครชมเราแล้วก็ปลืม้มนะปลื้มแล้วก็เลยหลงตัวลืมตนว่าฉันเก่งฉันแน่อันนี้ก็นําไปสู่ความประมาทได้ หรือว่าถูกตำหนิถูกต่อว่าก็เกิดความขุ่นเคืองชุมเชียวแทนที่จะนำคำพูดเหล่านั้นมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงตัวให้ดีขึ้นอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยไม่มีใครต่อว่ามีใครว่ากล่าวหรือเมื่อประสบความเสื่อมนะก็ปาราสิ่งเหล่านั้นใครควรสิ่งเหล่านั้น กระตุน้นเร่งเร้าให้สร้างความดีหรือว่าสร้างความเจริญให้เกิดขึ้นคําว่ากระตุน้นเร่งเร้านี่ท่านใช้คําว่าสังเวสสังเวคะหรือสังเวชะนะไม่ใช่สโลตูไม่ใช่เศร้าหมองแต่ว่าเพื่อเกิดความตื่นตัวรู้สึกต้องเร่งเร้าอะไรที่เขาพูดแล้วมันถูกต้องเราก็ปรับปรุงแก้ไข อันนี้เรียกว่ารู้จักใช้ประโยชน์นะจากอนิถารมชนชลาเนี่ยบัณฑิตเนี่ยเมื่อประสบกับอารมณ์ที่น่าพอใจนะก็แม้จะมีความอภิรมยินดีนะแต่ว่าก็ใช้ความอภิรมยินดีนั่นแหละนะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นหรือกำลังใจส่งเสริมให้ทำความดีมากขึ้นไม่ใช่เพื่เพิ่มหลงไหลแล้วก็ยุ หรุอเฉยไม่ทำอะไรเลยหรือว่าเกิดกิเลสตัณหาพอกปูนมากขึ้นอารมณ์ที่น่าพอใจนี่มันก็สามารถจะโน้มนำจิตให้เกิดราคะขึ้นได้ เ, เกิดความยึดติดขึ้นได้แต่ถ้าผู้ชลาทุกผู้ที่เป็นบัณฑิตนะเมื่อเจออิทถารมณมเจอรูลเปียเสียงที่น่าพอใจหรือที่ น่ายินดีนอกจากจะรู้ท่าทานความยินดีนั้นแล้วนะยังสามารถจะใช้ประโยชน์จากมันได้อย่างพระนากสมาลีมีเรื่องเล่าว่าวันหนึ่งท่านเดินบิฏบาบดในเมืองก็มีขบวนซ้อนลำขบวนใหญ่แลท่านก็เหลือไปเห็นหญิงสาวที่กำลังฟ้อนลำประดับประดาด้วยเครื่องหอม ด้วยอั ญ, ญมณีแล้วก็รำฟ้อนอย่างสวยงามขนาดนั้นก็เห็นใบหน้าของหญิงสาวแล้วเห็นเห็นฟันที่เธอยิ้มในขณะที่เธอยิม้มแทนที่พระนัสมาธิจะเกิดราคะนะท่านมีสตินะท่านก็เห็นกลับมองเห็นว่านี่แหละนะคือบ่วงของมาน ที่มันล่อให้เราหลงไหลแล้วก็ติดยึดจนเกิดทุกข์ขึ้นมาท่านเห็นรอยยิ้มของหญิงสาวท่านกลับเห็นโทษของสังขารในช่วงขณะนั้นเองนะใจท่านก็ปล่อยวางเห็นว่าสังขารเป็นโทษเป็นทุกข์ท่านก็ปล่อยวางจิตก็หลุดพ้นอันนี้เรียกว่าเป็นผู้ที่ฉลาดอย่างยิ่งนะในการหาประโยชน์จากอิทธารมณ์ แทนที่จะปล่อยใจให้เกิดราคะเกิดตัณหานะท่านกลับเกิดปัญญาอันนี้คือวิสัยของนักปฏิบัติธรรมนะก็คือว่าไม่ว่าจะตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงหรือว่าลิ้นรับรสนเะพื่อง่าคือว่าไม่ว่าจะมีผัสสะอะไรเกิดขึ้นนะก็สามารถจะใช้ประโยชน์จังมันได้เพราะที่จริงแล้วเนี่ยนะ ลูกลดกินเสียงสัมผัสนี้มันก็เป็นธรรมะนะไม่ว่ามันจะเป็นลูกที่น่ายินดีหรือไม่น่ายินดีก็ตามก็ลดแล้วแต่เป็นธรรมะนะสามารถสอนทำให้กับเราได้หรือสามารถที่จะฝึกฝึกใจของเราให้เกิดธรรมะขึ้นได้เคยมีคนถามหลวงปู่มั่นว่าท่านเป็นพระป่าไม่ได้เรียนสูงนะปริยัติก็ ไม่ได้เรียนมากแต่ทําไมท่านถึงเข้าใจทำได้อย่างลึกซึ้งทงั้งทั้งที่ใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่แต่ในป่าในดงหลวงปู่มากก็ตอบว่าธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้านะสำหรับผู้มีปัญญาธรรมะมีอยู่ทุกหย่อมหญ้ามีอยู่รอบตัวเราในไม่ว่าจะเป็นรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัส รวมทั้งอารมณ์ที่เกิดขึ้นภายในนะก็รู้ละแต่เป็นธรรมะจะเป็นอิทธารมณิธารมะจะเป็นสิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นรู้ละแต่รู้ละแต่เป็นธรรมะหรือสอนทําให้กับเราได้นะสอนอะไรนะสอนให้เห็นความไม่เที่ยงความไม่จริรังสอนให้เห็นทุกสอนให้เห็นหนึง ความไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนนะของทุกสิ่งถ้อลองเปิดใจดูนะทุกสิ่งรอบตัวเาสอนธรรมะสอนใตรักให้กับเราตลอดเวลาอยู่ที่ว่าเราจะเปิดใจมองหรือเปล่าแม้แต่ความเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นกับเร า, นะเราก็สอนธรรมให้กับเรานะสอนใ้เห็นความไม่เที่ยงสอนใ้เห็นความเป็นทุกข์ ที่มันติดมาประจําสังขารของเราเวลาเกิดเหตุที่ไม่่าพึงพอใจเกิดความสูญเสียงานการไม่ประสบความสําเร็จนั่นก็เป็นธรรมะนะก็สอนธรรมะให้กับเราเหมือนกันสอนว่าไม่มีอะไรที่เป็นของเราเลยสอนให้เห็นว่าทุกอย่างนั้นเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยเมื่อเหตุปัจจัยพร้อมความสาเร็จก็เกิดขึ้น เมื่อเหตุปัจจัยไม่พร้อมมีเหตุร้ายเข้ามาแทรกก็เกิดความล้มเหลวถ้าเราเข้าใจความจริงตามเหตุตามปัจจัยเราก็สามารถจะใช้มันเพื่อสร้างความเจริญขึ้นได้เห็นอะไรเห็นใครก็ตามนี่สอนธรรมะได้ทั้งนั้นนะเห็นคนเมาก็สอนธรรมะได้สอนธรรมะกับเราได้ แต่ถ้ามัวแต่ส่งกินออกนอกไม่หันกลับมาดูใจนะหรือไม่น้อมเข้ามาใส่ตัวก็ไม่เห็นธรรมะนะอย่างที่เมื่อวันศืนก็เล่าถึงนะคนที่ชื่อกเกษียณ น, นะซึ่งเห็นคนเมาแล้วก็พูดกับเพื่อนว่าคนเงานี่มันโง่มันกินเหล้าจนเหล้ากินมันถ้าว่าถ้าเกิดว่าเขาฉลาดหน่อยนะคือกลับมา เอาสิ่งที่เห็นนั้นมาสอนใจตัวเองว่าเออเราต้องระวังนะอย่าเป็นอย่างเขานะมันก็ทำให้เขาเนี่ยไม่หลงตัวแล้วก็เผลอจนกระทั่งในที่สุดก็กลายเป็นคนติดเหล้าติดเหล้าจนกระทั่งเป็นอมาาพพัมพาตเพราะเหล้าแล้วก็ตายพเพราะเหล้าอันนี้พราะเขาไม่รู้จักย้อนมามองตน เขเห็นคนกินเหล้าแล้วก็กลับมองว่าเออมันโง่เขาคิดว่าตัวเองเนี่ยฉลาดเป็นคนที่ไม่มีทางที่จะตกหลุมไม่มีทางที่จะเผลอเป็นทาของเราได้เหล้านี่มันเล่น ง, งานแต่คนโง่แต่ว่าไม่ใช่ฉันนะเพราะฉันฉลาดเหล้าทำอะไรฉันไม่ได้อันนี้ประมาทล้ะแต่ถ้าเขาฉลาดนะเขาก็จะเอามา เป็นเครื่องสอนใจตัวเองว่าเออเราอย่าประมาทนะอย่าเป็นอย่างเขานะถ้าเป็นอย่างเขาแล้วนี่มันเสียผู้เสียคนเลยนะถ้ามองย้อนกลับเข้ามาดูตัวแบบนี้นี่เขาก็ยังป่านนี้ก็ยังมีชีวิตอยู่ก็ได้เราก็อาจจะประสบความสําเร็จไม่ใช่เป็นคนที่ตายเร็วเพราะเราเมื่อเรารู้จักมองทุกอย่างก็สามารถจะสอนทําให้กับเรา รู้จักน้อมเข้ามาใส่ตัวสอนไตรักก็ดีนะสอนเรื่องโทษของความประมาทก็ดีหรือสามารถจะฝึกใจเราก็ด้วยก็ได้ไม่ใช่แค่สอนแต่ฝึกเราด้วยฝึกให้เรามีสติเวลาเจอแดดร้อนอากาศหนาวฝนตกพังแฉะยุงกัดมแมลงรบกวนอ่าเขาก็มาสอนให้เราดูใจว่า ใจเราเป็นอย่างไรไม่ใช่มัวแต่งหงุดหงิดลำคาญบ่นว่าทำไมฝนไม่หยุดตกสักทีทำไมรถมันไม่หายติดสักทีแต่ไม่ย้อนกลับมาดูใจว่าทำไมเราไม่หยุดบ่นสักทีแล้วคนเรามักจะถามว่าทำไมทำไมกับสิ่งภายนอกแต่ไม่ถามตัวเองว่าทำไมไม่หยุดบน่นทำไมไม่หยุดทุก ไม่หยุดไวอยวายสักทีเพียงแค่เราย้อนกลับมาถามตัวเองเช่นนี้เนี่ยมันก็ทําให้ได้สติขึ้นมานะมาแรงมันจะบินวนรบกวนยังไงนะก็อย่าไปบ่นไปลาคาญมันว่าเมื่อไรมันจะหยุดบินหยุดลำหยุดรบกวนสักทีให้มีสติมาดูใจของเราก็จะเห็นว่าเราโง่ต่างหากนะที่ไปเรียกร้องให้ มแมลงเหล่านั้นสิ่งภายนอกต่างๆมันปไปตามใจเราเมื่อเราเห็นใจเราก็จะหยุดปวหยุดโวยวายไปเองอ น, นี่ฝึกนะฝึกสตินะฝึกให้เรารู้จักดูกายดูเวทนาดูจิตเวลาปวดเวลาเมื่อยนะก็ควรจะมองว่าเออนี่เป็นโอกาสดีนะที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการดูเวทนา ดูเวทนาในเวทนาเป็นอย่างไรนะีดูเวทนาในเวทนาก็คือดูเวทนาว่าเป็นเวทนาไม่ใช่เรานีดูเวทนามันดะูยังไงเอาก็ลองฝึกดูใหม่ๆดูไม่เป็นก็จมเข้าไปในเวทนาเป็นผู้ปวด ผ, ผู้เมื่อยแต่ต่อไปดูเป็นเอ่ะมันก็เห็นเวทนาดูที่ไม่เป็นผู้ปวดผู้เมื่อยตอนเกิดความปวดความเมื่อยใจมันเป็นอย่างไรใจมันโบ่นใจมันบวยวายใจมันผักใส่ใจมันหงึดหงิด อ๋อเห็นไหมนันนี่แหละคือโอกาสดีที่จะทําให้เราได้ฝึกนะฝึกทั้งเวทนาอนุปัสสนาจิตตานุปัสสนาแล้วก็กยายอนุปัสสนาด้วยกายมันเป็นยังไงตอนที่มันปวดมันเมื่อยบางทีมันตึงมันตึงบางทีหัวใจนะมันก็เต้นเร็วเพราะว่ามีความหงุดหงิดเกิดขึ้นแล้วก็ส่งผลต่อจิตใจส่งอส่งผลต่อร่างกาย เราสามารถที่จะเจริญนะกายนุปัสสนาจิตต า, า, านุปัสสนาเวทนุปัสสนาได้อย่างน้อยก็3มอย่างนะในขณะที่ความปวดความเมื่อยได้เกิดขึ้นกับเราในขณะที่ถูกดึงกัดในขณะที่แดดแผดเผานี่แหละนะมันเป็นมันเป็นโอกาสนะที่เราจะใช้ประโยชนนะ์ใช้ทุกอย่างที่เกิดขึ้นใช้ผัสาะ ท, ที่เกิดขึ้น ใช้ทุกอารมณ์ที่รับรู้ไม่ว่าทางตาหุดหนุกลิ้นกาหรือม้นทั้งใจด้วนะในการที่สอนทำให้กับเราแล้วก็ฝึกใจให้กับเราหรือใช้ทุกที่เกิดขึ้นนี่แหละนะเป็นเครื่องไครครวนในการที่จะพิจารณาเห็นกิเลส ท, ที่มันซุกซ่อนอยู่ทุกครั้งที่มีความทุกข์ใจเนี่ยให้เราตระหนักว่าเนี่ย กิเลสมันกําลังอารวาดแล้วกิเลสมันกําลังรังควานละความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นเนี่ยมรู้แล้วแต่เกิดจากมีรากงอกมาจากกิเลสลดทั้งความยึดติดนะเช่นยึดติดในสิ่งของยึดติดในหน้าตายึดติดในภาพลักษณ์หรือลดยึดติดในความคิดเวลาทําอะไรผิดพลาดแล้วก็รู้สึกรู้สึกไม่พอใจรู้สึกกังวลน รู้สึกัวเสียอ่าอันนั้นแหละเป็นเพราะาเราไปเพราะความยึดติดในในภาพลักษณ์ในหน้าตาแล้วบางทีเดินเดินอยู่ดีๆก็เกิดสะดุดขึ้นมาต่อหน้าธารกรรมนันโอ้เสียเซลล์มากเลยไอความรู้สึกว่าเสียเซลล์นั่นแหละนะมันก็มาจากความยึดติดในหน้าตาภาพลักษณ์อยากให้คนเข้าเห็นเราในภาพลักษณ์ที่ดีแต่ถ้าเกิดว่าเราลู่ทันไอ ความไอ้กิเลสตัวนี้นะรู้ว่ามันกิเลสมันกลาลังลังควาแล้วกัวเรารู้แล้วก็วางมันมันก็จบนะสิ่งที่เกิดขึ้นมันก็เป็นแค่อดีต น, นะไม่งุดไม่ทำให้งุดหิดไม่ทาให้หัวเสียเวลาใครต่อว่าสีชิ้นนินพานแล้วเกิดความไม่พอใจร้อนรุ่มขึ้นมานั่นเป็นเพราะความยึดติดในตัวตน เกิดมีเป็นเพราะความหลงตัวว่าฉันเก่งฉันแน่เพราะฉะนั้นใครมาตาหนิใครมาวิจารณ์ไม่ได้เป็นต้องโกรธในความโกรธนั่นแหละนะมันมันเป็นตัวฟ้องตัวประจานกิเลส ท, ที่มันซุกซ่อนในใจไอ้กิเลสพวกนี้บางทีมันหลบมันซ่อนนะแต่พอมีอะไรขัดใจขึ้นมาพอมีอะไรไม่ถูกใจขึ้นมามันจะโผล่มาเลยมันโผล่มาก็คือทำให้เป็นทุกข์ แต่ถ้าเรารู้จักนะไคร้ครวญความทุกข์นะเราก็จะเห็นตัวกิเลสนะที่มันชักยายอยู่เบื้องหลังเห็นแล้วเป็นยังไงเห็นแล้วก็ดีแตเราก็เราไม่ได้รู้ว่าจะต้องจัดการกิเลสตัวนี้บางทีมาซุกซ่อนไม่เห็นนะซุกซ่อนไม่เห็นมีพระมีพระรูกนึงในถานพุทธการเนี่ยคิดว่าตัวเองในเป็นพระอรหันต์แล้วก็หลงคิดเช่นนี้ถึงหกสิบปีนะ หลงเชื่อตัวเองพรารหัน์เนี่ถึง60ปีเพราะว่าจิตใจสงบราบเรียบวันหนึ่งเข้าไปในป่าเจอช้างป่านี่ไล่ตกใจกลัวไอ้ตอนที่ตกใจกลัวนี่ทําให้รู้เลยนะว่าโอ้เรายัางเป็นปุถุชนหลงผิดมาถึง60ปีแล้วถ้าเป็นพรารหัน์นี่ไม่กลัวนะเพราะว่าไม่มีตัวตนจะให้กลัวละแต่ว่าความกลัวที่เกิดขึ้นเนี่ยพราถูกช้างป่าไล่ทําให้ท่านเห็นเลยว่าโอ้ เรายังไปผู้ตุชนอยนู่อันนี้ดูเหมือนเป็นข่าวร้ายนะข่าวร้ายว่ายังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่ข้อดีคือทาให้รู้ว่าเนี่ยยังต้องฝึกฝนตนอละท่านก็ได้ประโยชน์นะได้เปลี่ยวจากความกลัวว่าความกลัวทําให้เห็นกิเลสบางคนนี่ก็คิดว่าตัวเองนี่บรรลุธรรมแล้วไปเห็นซากศพไปเห็นศพของหญิงสาวเกิดการมาราคะเราเกิดการมาราคาเนี่ยก็ได้เห็นก็ได้รู้แล้ววอ๋อเรายังมีกิเลสอยู่ ยังมีราคาอยู่มีตัณหาอยู่ไม่ใช่อรหันอันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีนะก็ทำให้เวยต้องจัดการกิเลส ต, ตัวนี้เาฉั้นแต่เราเวลาเราเจอทุกข์นี่เราต้องฉลาดนะฉลาดเรียกว่าฉลาดทุกข์ก็ได้นะฉลาดทุกข์ก็คือเอาทุกข์นี่มาไข่ครวญเพื่อจะได้เห็นกิเลสของตัวเอง เราไปได้หาทางจัดการแต่ถ้าให้ฉลาดนะั้นมันจะกลายเป็นคร่ำครวนแทนทุกเนื้อมไม่ได้มีไว้คร่ำครวนทุกมีไว้ใครครวนปัญหานี่ไม่ได้มีไว้ให้กลุ้มนะปัญหามีไว้ให้แก่จะ แ, แก้ได้ก็ต้องรู้สาเหตุซะก่อนปัญหาภายนอกก็สาเหตุหนึ่งปัญหาภายในคือความทุกข์ใจก็สาเหตุหนึ่งซึ่งก็นี้ไม่พ้นเรื่องกิเลสเรื่องความวิตกแล้วก็ฝากเอาไว้นะให้พวกเราไปพิจารณานะว่านไหน เรามาปฏิบัติทําได้บางคนก็ทําความเพียรมาจนครบ40วันก็น่าจะาได้วิชาความรู้ได้หลักคิดได้วิธีการเอาไปปฏิบัตินะเพื่อให้การใช้ชีวิตของเราในโลกกว้างมาเป็นการปฏิบัติธรรมอย่างแท้จริงแลนะเพื่อทําให้เราเกิดความ จเจริญก้าหน้าสามารถจะใช้ทุกให้เกิดประโยชน์เพื่อนำไปสู่การเกิดปัญญาได้ประยุติท่อนนี้นะรับพระ